สาวกของพระเจ้าลเลครับที่ถ้าเราทำตัวให้เป็นสาวกจริงๆของพระพุทธเจ้าของเราเราก็จําเป็นที่ต้องดําเนินรอยตามที่ท่านทําพระพุทธเจ้าท่านทําอะไรลองมาลําดับเล่นๆนะครับเจ้าชายสิทธัตถะออกบสถ์จากวางังซึ้นเต็มไปด้วยความศัก์สิทสราญนี่เหตุผลอะไรเบื้องหลังผมไปอ่านนะครับ เปลนโซเวียตเป็นหนึ่งเปลียนพิจารณาพระเจ้าอี่าเสียงหายอย่างผมอยากจะพูดอย่างแสนโง่เง่าบอกพระเจ้าออกโบสถ์นี้ต้องอิจฉาผู้อื่นน้อยใจที่ราชบัลลังก์นี้ต้องถูกยกให้ผู้อื่นพราะมารรค้สึกกระดกใจและเป็นหนังสือที่พิมพ์แพร่หลายด้วยเป็ น, ปานภาษาอังกฤษเหตุที่สําคัญมากที่ทาําพระเจ้าท่า น, นออกโบสถนั้นคือความช่างสังเกตของท่าน พรเจ้าก็เหมือนกับเราท่านท่านทั้ ง, งหลายสนุกเพลิดเพลินเสพสุขไปวันวันหนึ่งเพราะโอกาสสูงกว่าเราท่านด้วยซ้ำไปแม้สมัยนั้นไม่มีทีวีไม่มีโรงหนังไม่มีอะไรแต่มีเรื่องที่เสพสุขเป็นมากแต่พระเจ้าท่านท่านเป็นคนช่างสังเกตเมื่อท่านที่ออกเมื่อท่านออกจากพระสวังครั้งแรกไปเห็นเทวดทูตที่เรียกว่าเทวดทูตนั้น หมายถึงว่าสัญญาณต่างต่างที่แสดงออกถึงนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระเจ้าออกบวชในเรื่องแปลกมากท่านไม่ได้ถามถึงตัวเองถ้าไปอ่านในสูตรจักรว่าลเมท่าเห็นคนแก่คนเกิดคนแก่็นตายท่านถามถึงพ่อของท่านก่อนถามว่าพ่อต้องเป็นอย่างนี้ด้วยไหมแล้วก็ถามถึงพินพาท่านย่างท่านคือท่านรักพันยางท่านมาก แล้วถามถึงรูปด้วยครับแล้วจึงถามถึงตัวเอง น, น, นายชนะก็บอกว่าไม่มีใครพ้นริงนี้ไปไเจ้าชายก็เลยเงียบไม่พูดกับใครนิ่งคุ่มคิดาหาขนทางที่จะพ้นจากปัญหาอะงนี้และเมื่อคราวที่ท่านออกบวชนั้นพวกอัรฉริยาจารย์เขียนให้เลงเจิ้งไปเขียนว่า <S <S <S 2> <S 2> เขียนให้โรมแมนติกครับพระเจ้าก็เอกง าขี่ม้าข้ามกาแพงนี้ลูกนี้มีออบเบินีเป็นรื่องจริงคระไอ่านในวิสูจะพาบว่าพระพุทธเจ้าท่านไปต่อหน้าท่านไปต่อหน้าอย่างนี้เพราะท่านคิดว่าถ้าท่านท่านขืนอยู่โอกาสที่ท่านจะศึกษาให้รู้แจ้งหลุดพ้นจากความทุกข์ยางนี้นก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วโอกาสที่ท่านจะช่วยลูกช่วยภรรยาช่วยพ่อช่วย ยาตท่านนั้นก็ไม่มีนั้นท่านตัดสินใจจากชีวิตของเจ้าชายผู้สูงจากแุะเสพสุขกลายชีวิตทุงยาจบผู้ยากไร้และทนทุกข์รมาด้วยความยินดีและท่านก็เร่ร่อนไปหาครูที่ดีที่สุดสมัยนั้นอุตตะกับอาราระเป็นฤาษี สองอาจารย์นั้นเปนอาจารย์ที่เลิศสุดในการนะสอนการเข้าฌานสมาบัติท่านพระเจ้าท่าทําจิตให้สงบถึงระดับฌานสมาบัติชั้นสูงเมื่อท่านทาได้แล้วคือท่านชวนให้เป็นครูเพราะว่าเสมอกำตนแล้พวพระเจ้าท่านช่างขันเกลืนคิดว่าสิ่งนี้มันสร้างขึ้นท่านไม่ออกบอกเนละิกมีคำถามแทรกซ้อนขึ้นมาว่า ทำไมพระเจ้าได้รับความสงบใจสูงสทรงจะนั่นงแลทำไมต้องเปลี่ยนทางทำไมไม่ทำมัเรื่อยให้มันสงบเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเลยทำไมบบ น, นี้นะครับในเมืองเราที่ลังกาที่ตุมาการนั่งสมาธิ่าะนั่งแบบอุดรกะอาราละทั้งนั้นเป็นำคำิดให้สงบหนึ่งซึ่งท่านพระเจ้าเคยลง มันออกจริงจริงประหลาดเสียที่ราศนิษฐ์พุทธจารย์นี่ยได้ทำความปิดพลาดทั้งท่านที่เจ้าท่านทําำไปดูแล้วท่านพิสูจน์แล้วไปวูนั่นเองท่านเข้าชานได้สงบระงับเป็นชานสมาบัติชั้นสูงสุดในครั้งนั้นเป็นเทคนิคขอการคิดชั้นเลิศได้รับความสงบเยือกเย็นย่ตลอดเวลาที่ทํา แต่เมื่อเส้นแรงของชานหรือเมื่อไม่ได้ทำมันกลับเป็นเรื่องธรรมดานี่พรเจ้าท่านเปนคนสังเกตมากท่านเห็นในนี้แล้วท่านไม่รับท่านปฏิเสธท่านก็ลาไปค้นหาในตัวเองใจความสำคัญตอนนี้คือว่าท่านกระทำทางจิตจนถึงระดับสเตปชั้นสูงทางจิตใจม่ต้คิดว่าทางนี้ล้มเหลว เป็นไปไม่ได้ความรู้สึกที่ตีกลับสุดเดียวก็คือถ้าท่านนั้นทําลายเซนส์ออร์แกนนี้ไปเลยที่แรกใช้เซนส์สร้างความรู้สึกขึ้นในใจเองเมื่อเห็นไปไม่ได้ความคิดตีกลับของเจ้าถ้าท่ั้นทําลายมันที่หมดท่านก็เริ่มทรมานตนือเริ่มทรมานให้มันด้านไปเลยเพื่อจะได้ไม่คิดนึกอีกเพื่อจะได้ไม่ทุกข์ทรมานใ น, นสุดก็ล้มเหลวอีก ทนทุกข์รมานประมาณหกปีมาเฉลยวใจขึ้นคิดว่าร่างกายที่อ่อนแอไม่มีทางเลยที่จะดูอะไรได้ตีปัญญาไม่อาจอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอที่โรคนั้นอันนี้เป็นความคิดช่วงนั้นของพระเจ้านะครับจะไปยึดถือเป็นข้อสรุปอพระเจ้ากระุ่นเวรร้อนมันิ้งใต้ต้นโพ คือเ้นตอนหัวคข่านี่ยท่านึงเป็นบุติชนเพราะความคิดความโรคความโกรธความอาลัยคิดถึงพ่อถึงแม่ยังมีอยู่และเกือบจะเลิกเพิอถอนปณิธานที่มุ่งจะได้ถึงที่สุดทุกในหลุกคปนนั้ น, นรําร่าจะกลับบ้านอย่านีน้แต่เนื่องจากท่ามเปนคนจึ ง, งเกศและเป็นคนจริงจริ ง, ง, งนี่ก็ตั้งปณิธานที่จะ เอาใหถึงที่สุดทุกข์ถึงถ้าไม่เช่นนั้นก็ตายไปเลยเมื่อพลังชีวิตของท่านขึ้นมาถึงระดับตายนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเมือ น, นารณนีข้าศึกมาเรื่อยตอแย้มาเรื่อยนีเราไม่อยากตายเราทีหนีทีนี้เมื่อตั้งหน้าสู้ก็ไปนะไม่เอ้ให้พลังชีวิตมันก็ชาร์จขึ้นมาเสมอตายชีวิตมีราคาเท่ากับความตาย ตรงนี้เขาเปจุดสาคัญงูเจ้าตั้งรอเขาทั้ความตายให้แก่ชีวิตท่านพูดกับตัวเองอันนี้คำภีร์ว่าเนี่ยครับเขาไม่ได้อส อ, อนหรือแนะนําให้ติดคำพแต่เท่าที่เรารู้จากหลักฐานในคำภีรท่านพูดว่าถ้าไม่รู้แจ้งคืนนี้ไม่หลุดพ้นให้เลือดเนื้อกระดูกให้มันปนอยู่ตรงนี้นิพพเจ้าก็รูม ท่านกะเริ่มเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงไม่ใช่อยากเห็นตามที่อยากให้เป็นเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นจริงเป็นญาณท่านแรกครับะเยะถาภูตะยานยถาก็ตามเป็นตามที่มันเป็นผูตะก็เปลว่าเป็นคำว่าภูตะนี่ก็คือคำว่พูดที่ต่อใช้กับคำว่พูดผี ยะถาภูติยานก็แปลว่ายานที่เห็นตามที่เป็นจริงและเป็นเองยานนี้เป็นยา น, นํำดับแรกรที่จะเปลี่ยนชีวิตจิตใจของผู้ปฏิบัติหรือนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อให้รักษาศีลมามากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่เห็นยะถาภูตะที่สภาวะซึ่งเป็นเองจิตใจไม่เปลี่ยน แม้คนที่มีศีลสูงมากก็ไดหรือบทเรย็มรายสิปลายร้อยปีก็ได้ไม่ไม่เห็นยะถาภูตะคือ ไ, ไม่เห็นสภาวะที่เป็นเองอาจจะค่าคนก็ได้อาจจะมีความละโมบอย่างแรงกล้าก็ได้ดังนั้นเองในการเจริญสตินี้นะครับเราเจริญปติเพื่อจะไปถึง การเห็นสภาวะซึ่งเป็นเองในตัวการผลล้ำดับนี้ครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้พลิกจากชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานรายที่พึ่งหาทางออกไม่พบจนกระ่งพบทางออกในตัวมันเองเข้อมาใดที่เห็นตามที่เป็นจริงเห็นสภาวะซึ่งเป็นเองในตัวมันก็จะเข้าใจแจ่มแจ้ง ว่าสภาพที่เรียก น, นักาเป็นยงไงวันนี้ตอนช่วงต้นผมได้กล่าวถึงอุบาสในการสอบธรรมะเมื่อคัดค้านไอ้ปีศึก่าของสังคมเดียเกันนั้นเรื่องิจังทุกขังอนักการ์เปนเพียงความคิดเท่านั้นครับเพิมังแค่นี้ไม่พอพระพุทธศาสนาเท่าที่คิดคิดนึกนึกี่ไม่พอดังนั้นจะต้องกระทำให้เกิดการประจักแจ้ง ต่อความไม่เที่ยงทุกข์และความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมายความว่าต้องเห็นมันจริงๆไม่ใช่มนึกออกเนมื่ใดที่เราเดินจมกรมเคลื่อนมือรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจ น, นมันจะเข้าถึงสภาวะซึ่งเป็นเองซึ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันใครๆเนี่ยสอนหรือบอกเราไม่ได้ ธรรมะน เ, นเรื่องประจักษ์เฉพาะตัวเท่านั้นส่วนจริงที่มาเล่ากันสู่ฟังกันฟังไม่ใช่ธรรมะมีคนจำนวนมากเข้าใจติดต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าคําสอนของพระเจ้านี้เป็นสัจธรรมเป็นสัจจาอันนี้เข้าใจติดคําสอนของพระเจ้านี้ไม่ใช่สัจจาแต่คําสอนของเจ้านะครับเป็นคําอธิบายสัจจ้ คำอธิบายสัจจะนี้ไม่ใช่สัจจะคําสอนพระเจ้าเป็นคําอธิบายสัจจะซึ่งอธิบายไม่ได้ซึ่งผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้เฉพาะตัวส่วนที่พระเจ้าท่านพยายามอธิบายนั้นนะครับเป็นความเมตตากรุณาของพระองค์ท่านท่านพยายามที่อธิบายให้ผู้ฟังได้รับทราบถึงสิ่งที่เรียกธรรมะ เมื่อผู้ฟังได้รับทราบแล้วก็ฟังรับทราบแค่ระดับสมมุติแต่ดังนั้นถ้าใครไม่ก้าต่อไปสู่ภาคปฏิบัติก็เป็นอนุคว้าเอาคำอธิบายของสัจจะเป็นตัวสัวจจะแค่ค่ า, าไปคว้าอะไรชื่ออาหารว่าเป็นอาหารหรือไปคว้าสลางยาว่าเป็นยามันเป็นเช่นั้นแล้วจะมโนโทษ ธ, ธรรมะไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมะมันเท่าไหร่ ฟังเทศเทนาย ร, รักษาศีลทนายก็ไม่เห็นพ้นทุกข์ละความโลภ ก, ก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นครับในสุดนี้นะครับผมเคยสรุปสั้นๆในการศึกษาธรรมก็คือศึกษาตัวเองในการศึกษาตัวเองต้องกระทําให้ตัวเอง เคื่อนไหวรู้สึกตัวจนกระทั่งเห็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองเมื่อเห็นตัวเองซึ่งไม่ใช่ตัวเองแล้วความเข้าใจจากความจำหรือตาําราจะแปลงไปสู่ความเข้าใจจริงซึ่งไม่ขึ้นกับตาําราและผู้ที่เห็นไม่ตรงตัวเองเนั้นจะพูดด้วยถ้อยคําของตัวไม่ใช่ถ้อยคําของตำราผู้ที่เห็นและพูด ผู้นั้นคือครูผู้นั้นคือพุท ธ, ธะแต่ดังนั้นเองครับการที่เราท่องจําคําสอนของพระเจ้าโดยไม่เห็นเองกับการว่าเราเอาคําสอนของพระเจ้านั้นมาปิดบังธรรมะที่แท้จริงที่สุดท้ายนี้นะครับผมคาจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจในเรื่องภาคปฏิบัติให้มากธรรมะนี้ฟังให้หนอ้อยแต่ฟังให้ชัด ปฏิบัติให้มากรู้สึกตัวให้มากพูดให้ น, อน้อยในช่วงต้นนี้นะครับช่วงที่เหลือนี้ผมคิดว่าให้พวกเราแยกย้ายกันไปปฏิบัตินะรัะเดินจงกรมนั่งจนกว่าจะง่วงลกลับไปนอนเพราะช่วงกลางวันนี้เราร้อนมากแล้วก็เหนื่อยง่ายช่วงกลางคืนนิยอการดี เดินหนาเดินสว่างเช่นนี้จิตใจเราก็ชื่นบานง่ายจิตใจที่ชื่นบานง่ายนี้เองสติปัญญานี่จะว่องไวดังนั้นอย่าให้เวลาล่วงเลยไปกรานแยกย้ายกันไปไปหาที่เดินจงกรมดูจิตดู ใ, ใจ